หลวงพ่อแต่ก่อนนะมทำงานรับราชการให้เก็บบรหยุดไว้เรามีบรรยุดที่ยาวๆนะก็ไปอยู่วัดแต่สมัยโน้นมันวัดที่จะอยู่ได้มันยังมีเยอะครูบาอาจารย์ที่ดีมีมากนะสมัยโ น, น้น30ปีก่อนนะทางอีสานเนะี่ะเยอะมากเลยนั่งรถไป กิโลสองกิโลตรงนี้มีองค์ตรงนี้มีกงค์อย่างเงี้ยมีเป็นแถวไปเลยแต่ก่อนเขาเลยมีจัดถัวนะเเรียกอรหันถัวกินเหล้าเมาแปะไปก็ขึ้นรถทัวร์ไปถึงวัดนี้ก็ลงไหว้พระเข้าห้องน้ำทำบุญอะขึ้นรถไปอีกวัดหนึ่งให้ได้วันละเก้าวัดหนึ่งไปถึง เวลาจะกินข้าวไปตรงกับวัดไหนก็ไปกินข้าวาวัดนั้นก่อนเป็นธรรมเนียมเลยว่านั่งรถทัวร์กันแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปเขาทนเขาไม่ไหวกินเหล่าเอะอะะไร่างเ้ยไปของเราเองไปค่าที่ไหนก็ไปนอนที่นั่นขอข้าววัดกินเป็นภาระกับวัดมากเลยมีอยู่คราวอยู่กรบหลงพุทเทธ อยู่ๆหลวงปู่ท่านก็สั่งแม่ครัวสั่งแม่บูบอกเย็นนี้นะให้เจ้าหุงข้าวไว้คนร้อยคนแม่บูก็ถามหลวงปู่ว่ามีกําหนดเหรอมีใครแจ้งมาเหรือว่าจะมาอยู่วัดเจ้าไปทําเถอะให้ไปทําไม่มีใครแจ้งท่าน ตกใบยพายุมาพายุมาออค่ำโรเพลค่ำแนละ้วมีรถทัวนะั้นสมซานเข้ามาไปไม่ไหวมันจะไปเมืองเลยสู้พายุไม่ได้ไต่เขาไปเข้ามาในวัดมาขออยู่มีข้าวพร้อมแนละ้วความเมตตาของท่านเมตตามาก ในก่อนเวลามีวันหยุดก็เลยไปอยู่กับครูบาอาจารย์ร่มเย็นเลยนับถือพระมากเลยลได้เห็นพระดีๆเยอะประทับใจนะยุค น, น, นั้นเรียกว่ายุคทองครูบาอาจารย์มากแต่ความประหลาดก็คือคนที่ภาวนาตามท่านได้นี่น้อยมีน้อยนะงั้นคนที่จะสืบทอดมาไม่ค่อยมี หลวงพ่อพุธนเวลาเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติไม่เจอท่านนะช่วงหลังๆคนไปหาท่านมากท่านทนไม่ไหวท่านอาพาธเป็นมะโรงมะเร็งอะไรด้วยท่านต้องหลบหาท่านไม่เจอนานมากเลยไม่เจอท่านอีกครั้งหนึ่งท่านมาที่องค์การโทรศัพท์และหลวงพ่อทํางานองค์การโทรศัพท์ ท่านเทศเสร็จก็ขึ้นไปกราบท่านไปฟังท่านเทศทเทศจบแล้วคนอื่นเขาก็เตรียมถวาย น, น้นถวายนี่เรารีบลุยเลยเป็นจังหวะแล้วเขายังถวายไม่ทันเอาไปกราบหลวงพ่อผมไม่พบหลวงพ่อนานแล้วบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกคนเข้าวัดเยอะมากนะสมไม น, อน้อยเข้าวัดกันได้เยอะแยะไปหมดเลยใครๆก็เข้าวัดนิยมมากเลย ครูบาอาจารออกปากแล้วนักปฏิบัติมีไม่มากช่วงที่ปีสองหกพ่อไปหาหลวงปู่ดุลหาหลวงปู่ดุลแล้วก็ออกมาหาหลวงพระพุทธลงพระพุทธท่านถามว่าคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง หลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตเนี่ยเป็นกรรมฐานขั้นสุดยอดแล้วเป็นสุดยอดของกรรมฐานแลสูงสุดอยู่ตรงนี้เลยของการปฏิบัติท่านบอกท่านก็ไปหาหลวงปู่ก่อนหลวงพ่อเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง7วันหลวงปู่บอกท่านว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ท่านบอกหลวงปูดุลก็สอนท่านอย่างเดียวกันนี้เรื่องการทํำลายผู้รู้ท่านก็บอกหลวงพ่อว่าคุณกาตมามาทํากติกากันไม่ใช่คําว่ากติกาคุณกาตมามาทํากติกากันใครทําลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันตอนนั้นหลวงพ่ออายุ30มสเงสาเพิ่งเข้าวัดได้สองปี ยังไม่สองปีเต็มเลยแต่เราภาวนาภาวนาจริงจังมากเลยนะะในการภาวนาของหลวงพ่อเนะีคนอื่นไม่ค่อยรู้หรอกเขาดูไม่ออกภาวนาเป็นเรื่องงานทางใจเราทำกรรมฐานอยู่ที่ใจเราเนี่ยเรากลมกลืนอยู่กับโลกชาวโลกไม่รู้เลยเราไม่ต้องวางฟอร์มอวดว่าฉันเป็นนักปฏิบัติอะไรเงี้ยนะถ้าอวดนะคนมันชอบมาว่านะ ถ้าเราเดินจงกรมอะไรเงี้ยมันก็จะว่าเนี่ยเพี้ยนนะสีเรียดเกินไปชีวิตต้องผ่อนคลายพวกไม่เข้าใจมันมีเราก็ไม่ต้องไปโชว์เขาหลวงพ่ออยู่ที่ทำงานนะกลางวันกินข้าวแล้วก็ทำเป็นเดินไปวัดใกล้ๆที่ทำงานวัดโสมบ้างวัดเ็ญจ่บ้างเลยนะอยู่ทำเนียบนะก่อนเดินคนถามเดินไปทำอะไรไปไหว้พระหน่อยย่อยอาหาร จริงเดินชงกรมเดินชงกรมของหลวงพ่อก็ไม่มาเดินอย่างนี้นะเดี๋ยวรถทับตายจะข้ามถนนข้ามได้เดินด้ความเร็วปกติเลยนะเคลื่อนไหวกลมกลืนอยู่ในชีวิตธรรมดานั่นเองจะขึ้นรถเมย์จะรอรถเมย์จ ะ, ะได้รปฏิบัติได้หมดเลยนะจะกินข้าวก็ปฏิบัติ ลงมาที่ร้านอาหารไม่ต้องดูหรอกว่าร้านไหนขายอะไรเพราะยี่สิบปีมันก็ขายเหมือนเดิมบางวันก็เบื่อเบื่อก็รู้สึกนินทาแม่ค้าโอ้ยไอย้พวกนี้นะมันไม่มีความคิดริเริ่มเลยมันขายเหมือนกันทุกวนันทุกวนันร้านนี้ก็ต้องมีอย่างนี้อย่างนี้กินเจอของชอบพอใจเจอของไม่ชอบไม่พอใจรู้ รู้คุยกับคนคุยกับคนนี้พอใจคุยคนนี้ไม่พอใจนะก็รู้เอานะจะอาบน้ำแต่ทั้งขับถ่ายก็ภาวนานะถ้าท้องผูกไปนั่งแล้วมันอ้อนวอนอยังไงก็ไม่ได้ผลนะจิตใจเป็นยังไงปราบรื้มไหม <c oughs> ก้อนที่หนึ่งรู้สึกยังไงเออ ไม่เหมือนกันสักก้อนหนึ่งนะอมไม่มีสตมิมีปัญญานะเรียนรู้ตัวเองมันทุกเรื่องเลยจะทําอะไรจะขยับเยืน่นเคลื่อนไหวอะไรนะรู้สึกไปเรื่อยกระทั่งกินนะกินของอร่อยๆเนี่ยคําแรกกับคําที่สามที่สี่ความรู้สึกไม่เหมือนกันหรอกสมมติว่าเราชอบกินอะไรสักอย่างนะสมมติเราชอบกินอะไรเดีย่ย ทุเรียนชบกนสททุเรียนหมอนทองนยะงี้แม้คำแรกอร่อยที่สุดเลยนะคำต่อมาเนี่ยความอร่อยลดลงเรื่อยๆถ้ากินไม่เลิกเนี่ยจะอ้วกนะไม่อร่อยแล้วล่ะบางทีกลัวไปตั้งนานเลยอนะันเนี้ยเรารูทันความรู้สึกของเรานะมีผัสสะตามธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องโดยยุ่งอะไรมากเลยเพราะ ป, ปกติเรามีผัสสะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ตาเราก็มองเห็นหูเราก็ได้ยินใจเราก็คิดจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายรู้สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งต้องให้มันสัมผัสไปให้มันกระทบไปตามธรรมชาติธรรมดาเขากระทบแล้วความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นกับจิตใจก็รู้ทันเอาอย่างเวลาอากาศร้อนนะร้อนมากเลยลมโชยมาโอ้ยมันชื่นใจ ชื่นใจรู้สึกอ้อรู้ทันว่ามันชื่นใจมันชอบเวลาหนาวหนาอากาศหนาวมากนะีลมพัดมานี่โอ้ยสะท้านเลยนะรู้สึกสยองนรู้ทันว่าใจมันสยองหน้าร้อนอาบน้ำาลวงพ่อคนโบราณนะอาบน้ำในตุ่มไม่เหมือนเด็กเดี๋ยวนี้อาบแต่น้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรกันอาบน้ำในตุ่มรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้พลังงานมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวกันนะแก่แล้วหัวใจจะวายเมื่อเจอน้ําเย็นจัดๆหน้าร้อนนะเห็นตุ่มน้ําก็ดีใจละมีความสุขละหน้าหนาวนี่เห็นแล้วกลัวแค่คิดถึงก็กลัวละนี่ก็รู้ทันรู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆภาวนาโดยที่ไม่มีใครเขารู้ว่าเราภาวนา เราไม่ต้องไปโอ้อวดใครเนแม้เขาบางทีเขาแซวนะอย่างพวกเราบางทีก็โมโหใช่ไหมเคยไหมโมโหขึ้นมาคนเขาก็มาว่าเธอเป็นนักปฏิบัติยังไงยังโมโหอยู่ฉันไม่ใช่พระอนาคาเนี่ยมันบอกเขาไปนเนาะเธอยังโอ้เธออย่างงี้ทําไมเธอไม่ทําอย่างนี้มันมันกนําหนดกดเกณฑ์ให้พวกเราทําเยอะเลยเนาะ ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นนักปฏิบัตินะเขาจะคาดหวังสูงเรียกร้องสูงเหมือนคนนะ่ะชอบเรียกร้องกับพระสูงมากเลยพระทำไมไม่ทําอย่างนี้พระไปทำอย่างนี้ไม่ดีอย่างน้่นอย่างนี้นะทำไมถือศีลไม่ครบ227นะอย่างนี้ศาสนาเสื่อมยังกบว่าศาสนาเป็นของพระคนเดียวศาสนาเป็นของภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาศีลห้าก็ไม่ถือนะ เรศาสนาไม่เสือเ่อมหรือเห็นไหมจะโทษแต่คนอื่นนะไอ้พวกนี้เยอะนะพ้าทําอะไรนิดๆหน่อยๆว่าอยู่นั่นแหละพ้าส่วนใหญ่มันก็คนแหละนะแล้วเป็นคนที่ไม่มีโอกาสในสังคมด้วยนะส่วนใหญ่อะความรู้อะไรทางโลกความเข้าใจทางโลกไม่ค่อยมีหรอกพระจํานวนมากเลยเราเรียกร้องทําไมพระไม่ออกเผยแผ่จะเผยแผ่ ไ, ไงน ความรู้ท่านต่งางทำรรม้ก็ไม่มีนะความเข้าใจในโลกก็ไม่มี อ, ออกไปเผยแพร่ไปเจอหน้ายมไปสอนโยมก็คืนนะโมตสะยมหนีไปหมดและวนะิธงทีก็เรียกร้องสูงงั้นเวลาเราปฏิบัตินะเราไม่ต้องโชว์ออฟบอกว่าฉนันเป็นนักปฏิบัติคนมันจะมาคาดหวังกับเรามากนะเรียกร้องสูงบางคนนะมาเข้าวัดวันสองวันกลับบ้าน เถียงกับผัวหน่อยเดียวผัวว่าเลยเธอปฏิบัติยังไงเสียแรงเข้าวัดวัดอะไรวัดสวนสันทิธรรมมิน่าเราเป็นอย่างนี้นี <c> ่ <oughs> เอาเราเข้าด้วยเราไม่ได้เกี่ยวเลยเ <c oughs> <c oughs> งั้นเราไม่ต้องโชว์ใครหรอกนะงานกรรมฐานเป็นงานทางใจนะทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละเราปฏิบัติแล้วนะ ทุกเวลาที่นั่งด้วยความรู้สึกตัวเราปฏิบัติแล้วหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวเราปฏิบัติแล้วไม่ต้องแขวนป้ายนะไม่ต้องมีป้ายแขวนคอไว้ฉันเป็นนักปฏิบัติงั้นคนเขาจะกวดเลาะเอาแล้วคาดหวังทําให้เราเครียดเปล่าๆเป็นอะไรก็ทุกข์ร้อนนั้นแหละไม่ว่าเป็นอะไรนะเป็นนักปฏิบัติก็ทุก เวลาวางฟอร์มเป็นพ่อเป็นแม่เขาทุกข์ไหมต้องทําตัวให้ดีเป็นแบบอย่างของลูกอะ่ะเหนื่อยไหมใครมีลูกบ้างยกมือสิรู้สึกไหมต้องวางฟอร์มให้ลูกดูเหมือนกันะเห็นไหมปล่อยตัวตามธรรมชาติให้ลูกดูไม่ได้ใช่ไหมก็เหนื่อยอตอนเป็นแฟนกันนี้ยิ่งต้องวางฟอร์มมากเลย ต้องไม่ให้เขารู้ตัวจริงนะถ้ารู้รู้ตัวจริงแล้วก็ไม่แต่งด้วยหรอกนะลายไหนรายนั้นเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายน่ะเหมือนกันแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโง่ต่างกันผู้ชายน่ยโง่ตรงที่คิดว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนพี่จ๋าพี่จ๋าเหมือนเดิมผู้หญิงโง่ตรงที่คิดว่าถ้าแต่งแล้วจะเปลี่ยนผู้ชายได้นิสัยขี้เกียจเหรอเดี๋ยวมาอยู่กับเราเราค่อยๆสอนอะไรย่างเงี้ย โง่คนละแบบนะโง่คนละพวงเวลาคนไม่เปลี่ยนหรอกถ้าใครระลึกได้ยาวนานนะเพราะหมื่นปีนี้นิสัยไม่เปลี่ยนเวลาหมื่นปีนะไม่เปลี่ยนหรอกนิสัยยังไงก็นิสัยอย่างนั้นนะ่ะเปลี่ยนช้ามากเลยยกเวน้นเปลี่ยนเป็นในทางเร็วเวลาเร็วนี้เร็วมากเลยนะ เวลาสร้างความเร็วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเปลี่ยนไปมากมายเลยเดี๋ยเวลาจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นโอใช้เวลานานพระโพธิสัตว์ท่านต้องดีเลิศสุดยอดใช้เวลามหาศาลเลยการพัฒนาองค์ของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์น่านับถือทุกองคอย่างหลวงพ่อนับถือพระพุทธเจ้าทุกองนะนับถือทุกองค์แต่องค์นี้เป็นองค์ที่กําลังมีบทบาทหลักอยู่ บางค น, นแไม่นับถือองค์นี้จะต้องนับถือองค์โน้นนับถือองค์ในอดีตนับถือองค์ในอนาคตเยอะเลยนึกออกไหมองค์ปัจจุบันไม่เอาบารมีน้อยอายุก็น้อยสาวกก็น้อยสั่งสอนก็ได้ไม่มากอะไรเงี้ยสังคมก็เสื่อมไม่รู้หรอกว่าพพุทธเจ้าของเราเนี่ยเสียสละสูงท่านเลือกตรัสรู้นะัในภาวะที่เลวร้ายที่สุดเลย ท่าเลือกมาตรัสสรุปในสภาวะยุคที่คนสอนยากที่สุดเลยยุคที่ใกล้ความวิบัติเต็มทีนะบางองค์ท่านมาในยุคที่รุ่งเรืองสบายนะสบายความกรุณาใหญ่หลวงนะแล้วพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์บารมีเหมือนๆกันนะเรียว่าบารมี30สทัศเต็มเท่าๆกันแหละถ้าบารมีไม่เต็มเป็นพระเจ้าไม่ได้แล้วก็ชอบคิดว่าองค์นู้นเก่งองค์นี้นเก่ง แต่ท่านมีทักษะที่ไม่เหมือนกันบ้างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีปัญญากล้าปัญญามากเป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่มีปัญญามากอย่างพระเมธไตรท่านเป็นพุทธเจ้าที่มีความเพียรมากามเพียรท่านก็ดีของท่านทุกอง์ทุกองนะแต่ถามว่าบารมีเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันบารมีเต็มนะนะั่นแหละเรื่องบารมีสาสิบทนะักษ์ ใจเรามีกิเลสเราก็ไปจัดลำดับอง์นั้นเก่งกว่าองค์นี้ยังจะโชคมวยกันไม่ฉลาดหรอกใจเป็นอกุศลการปฏิบัตินะกลมกลืนไปในชีวิตประจำวันมันเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับคนยุค ข, ของเรากรรมฐานอย่างอื่นมีไม่มีอย่างกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่แต่ก่อนท่านทำมา นั่งสมาธิกันเป็นปีๆเลยนั่งสมาธิเสร็จแล้วจิตมันติดนิ่งติดเฉยออกมาพิจรารณกายจิตก็เคลื่อนออกมาทำงานได้ค้นคว้าพิจรารณกายถัดจากนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันท่านก็ปฏิบัติท่านก็ไม่ได้เลิกหรอกเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนกายหายใจออกหายใจเข้าเลยนะดูอยู่ในชีวิตประจำวัน ดูกายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ถ้าภาวนาเป็นนะมันต้องเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตร่างกายมันเคลื่อนไหวได้เพราะจิตเป็นคนสั่งนะร่างกายเคลื่อนไหวใจก็เป็นจิตใจก็เป็นคนรู้เนะี่ยมันก็มีหน้าที่ต่างกันกราเห็นกายเห็นใจทำงานไปถึงเวลาเขามานั่งสมาธิอีกนะใช้เวลานานา น, นานมากแต่บางองค์ท่านเร็วนะบารมีท่านเต็ม ท่านภาวนาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บที่เร็วมากๆเลยที่เคยได้ยินหลวงปู่บุตดาใครเคยได้ยินชื่อไหมหลวงพ่อแต่ก่อนเห็นชื่อท่านขั้งแรกนึกว่าท่านชื่อบุตดานะว่าวงนี้พระฝรั่งหรือเปล่าพระบุตดาอะไรพระท่านชื่อบุตดาก็ผู้ใหญ่ตั้งให้อย่างนั้นมาชื่อบุตดาอีกองชื่อหลวงปู่หลุย ฟังเราเนื้ว่าฝรั่งนะไม่ใช่หรอกท่านก็อยู่อีสานชื่อหลุยหลวงปู่บรดราใช้เวลา 3, สามพันสายามพันสาเร็วครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยนะสิกว่าปี16 ป, 16ปีแห่งความหลังในประเภทนั้นบ้าองนานหลวงปู่หลุยนั้นนานา น, นาน น, า น, นั่นไปภาวนา ตอนอายุมากพระองค์ก็เร็วหลวงปูด่ดูนี้เร็วมากเลยไม่กี่เดืนอนหรอกใช้เวลาไม่กี่เดือนเข้าใจเข้าใจอริยสั์ท่านที่บารมีมากท่านไปกันหมดแล้วนะหลวงตามหาบัวนบารมีมากภาวนาเร็วแต่ฉาน พวกเราอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเราพึ่งครูบาอาจารย์ชั้นเลิศอย่างนั้นนะเราหาไม่ได้ตอนนี้หายากเราต้องพึ่งตัวเองหลวงพ่อถึงพยายามสอนหลักของการปฏิบัติให้พวกเราให้เราพึ่งตัวเองรักษาศีลห้าไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้รักษาศีลห้าไว้ก่อน ถ้าตายไปด้วยความมีศีลห้า ก, ก็ไม่ขัดทุนเรียกว่าเสมอตัวจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ชาตินี้ยังเรียนไม่รู้เรื่องบารมียังไม่พอกลับมาเป็นคนมาฟังซีดีหลวงพ่อต่ออีกอีเจนเนอเรชัน hmm. e หนึ่งซีดีคงยังอยู่บางคนมองการไกลมากเลยนะปั๊มซีดีหลวงพ่อแจกเยอะเลยถามทำไมไม่พรวนาอ้าวกันเหนียวไว้ก่อนนะ ไปชาติหน้านะเจอซีดีฟังแล้วจะได้เข้าใจธรรมะผมโง่ชะมัดเลยตอนนี้ได้ฟังอยู่ตัวเป็นๆแท้ๆเลยมันยังไม่ภาวนาเลยไปรอฟังซีดีดูความโง่ของคนนะั้นมันหลากหลายจริงๆประเภทคล้ายๆวัสกลรพรามวัสการาพรามเนี่ยเกีย่ยวยุให้พวกฤาวีเนี่ยแตกแยกแล้วพระเจ้าชาติศัตรูก็ยกทัพไปยึดครอง บ้านเมืองของพวกลิชวียอย่างง่ายๆเลยเสร็จแล้วแกก็มาถามพระที่วัดเวรุวันว่าเอผมไปยุให้เขาแตกแยกกันแล้วไปยึดบ้านยึดเมืองเขาเนี่ยกรรมเนี่ยชาติหน้าผมจะไปเกิดเป็นอะไรพระท่านบอกว่าโยมจะไปเกิดเป็นลิงเป็นลิงอยู่ที่ไหนครับอยู่ในวัดเวรุวันนี่แหละแกรีบมาปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยมองการไกลนะ ปลูกมะม่วงปลูกอะไรไว้กล่ามาเป็นลิงจะได้กินให้อิ่มเลยคล้ายๆพวกเราบางคนนะปั๊มซีดีหลวงพ่อแจกแต่ไม่ภาวนานะต่ไปได้ไปเจอซีดีแล้วแมมอิ่มอกอิ่มใจแทนที่บัศกรพราหมณ์จะทำอย่างนั้นนะควรจะรีบภาวนาใช่ไหมเพื่อจะพ้นอบายไปเนี่ยไม่ฉลาดจริงหรอกพวกเรานะั้นถือสี่ห้าไว้ก่อน ถ้ามีศีลห้าก็าไม่ตกต่ําเป็นปรากาฏด่านสุดท้ายของมนุษย์นะศีลห้าเนี่ยประกาฏด่านสุดท้ายของความเป็นมนุษย์เลยแนะถ้ามีศีลห้าแล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเถ้าใจเราแน่วแน่นะสงบแน่วแน่นะ จิตใจของเราเป็นพุทธะขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพักเลยเวลาเรากราบพระเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนเรากราบลงแทพพระบาทท่านกาลังอยู่ต่อหน้าเราเลยเราจะมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนเลยนะไม่ได้หายไปไหนเลยนะแต่อยู่ที่ใจที่เข้าถึงความสะอาดหมดจดนั่นแหละก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ พระพุเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกพระนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมนะแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นเป็นธาตุที่บริสุทธิ์นั้นเป็นธาตุชนิดเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าเราพานาไปเรื่อยนะใจเราสะอาดมากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้สึกเหมือนเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้น พวกทูศีลไม่มีศีลนะเหมือนพระพุทธเจ้าคืออะไรที่แตะต้องไม่ได้เลยสัมผัสไม่ถึงเลยคนมีศีลมีธรรมนะเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่กับเราทั้งวันเลยถ้านะเราจะทําไม่ดีท่านก็สอนเลยนะอย่างนี้ไม่ดีนะเราควรจะทําอะไรบางที่ท่านสอนเลยคือนะใจที่สะอาดมากขึ้นมากขึ้นนะั่ะมันถ่ายทอดเอาธรรมะออกมานะถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์นะ ระลึกถึงท่านจิตจะเกิดสมาธิอย่างรวดเร็วนะด้วยอำนาจของพุทธานุสติถ้านะใจเราเชื่อมต่อนะสัมผัสความสะอาดบริสุทธิ์ของท่านมันจะเหมือนมีกระแสของพลังงานนะมาสู่ใจเราที่มีพลังสมาธินี่เรื่องง่ายมากเลยนะหรือเราระลึกถึงพระธรรมนะ ระลึกถึงธรรมะจริงๆแต่อนะันนั้นเราต้องได้ธรรมะก่อนนะได้ธรรมะเราระลึกถึงธรรมะมันจะมีพลังนะจิตใจเราจะมีพลังของสมาธิเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะนึกถึงครูบาอาจารยนะ์จิตจะเกิดพลังขึ้นมาจะได้สมาธิขึ้นมานั่นเองเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกมันก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสามัญ ในอนุสติ1ิบอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นแหละเราไหว้พระสวดมนต์นะพอสมควรเระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานระลึกแล้วจิตใจสงบจิตใจมีความสุขก็าภาวนาต่อถ้าวันไหนมันยังไม่สงบก็ทำสมถะกรรมฐานพุโทโธไปเรื่อยๆ สงบก็พุโทโธไม่สงบก็พุโทโธช่างมันอย่าไปหวังว่าจะสงบพุโทโธพุธโทโธไปจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ไปรู้เฉยๆอย่าไปยุ่งอย่าไปแทรกแซงรู้ด้วยความสบายใจอยู่กับความวุ่นวายด้วยความสบายใจไปพออยู่อย่างนั้นได้นะใจจะสงบอย่างรวดเร็วเลยหรือรู้ลมหายใจถ้าไม่ชอบพุโทโธก็รู้ลมหายใจหรือดูท้องพองยุบ ขยับมือทำจังหวะอะไรก็ได้นะแล้วก็รู้ทันใจไปที่สบายๆรู้ไปอย่างสบายๆถ้าใจมันหนีไปใจมันหลงไปไม่ห้ามไม่ไปดึงคืนให้แค่รู้ทันตอนที่หลงไปนี่เรียกว่าหย่อนไปตอนที่พยายามไปดึงคืนพยายามบังคับไม่ให้ไปนี่ตึงเกินไปทางสายกลางอยู่ที่รู้ว่ามันหลงไปทำในรูปแบบ นะทำกรรมฐานในรูปแบบสักอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธหายใจพองยุบทําจังหวะมืออะไรก็ได้นะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะแป๊บเดียวจิตก็จะตั้งมัน่นได้สมาธิขึ้นมานะถ้าได้สมาธิแล้ววันไหนเหนืน่อยมากก็พักผ่อนอยู่กับความสุขความสงบของสมาธินะมีสติไม่ขาดสติไม่เคลิมรู้เนื้อรู้ตัว ที่ร่างกายหายไปความรู้สึกตัวก็ยังอยู่ไม่เคลิม้มลืมเนื้อลืมตัวไปนะได้พักผ่อนะได้พักผ่อนแต่วันไหนถ้าเราไหว้พระสวดมนต์แล้วจิตใจสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะก็อย่ามัวพักผ่อนเสียเวลาจเจริญปัญญาไปเลยถ้าเราพุโทโธพุโทโธอยู่เราจเจริญปัญญาด้วยการเห็นจิตที่มันปรุงไปเรื่อย เดี๋ยวมันไหลไปนี่มันฟุ้งซ่านพอ ร, รู้ทันมันก็ตั้งมั่นมันสงบเดี๋ยวก็ฟุง้งเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวสงบแสดงความไม่เที่ยงให้เกิดขึ้นให้เห็นประจักษ์ขึ้นมานะพุทโธไปเดี๋ยวมีความสุขบางทีพุทโธไปจิตใจไม่มีความสุขนะก็เห็นอีกนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวเฉยเฉยหมุนเวียนไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงอย่างนี้เรียกว่าจเจริญปัญญา หรือเราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะเราไม่ได้สบายอยู่กับลมหายใจสบายอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะเราหายใจไปเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายกับใจนี่คนละอันกันร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะอย่นี้เรียกว่าเดินปัญญานะเห็นร่างกายมันหายใจมันไม่ใช่ตัวเรานะเดินปัญญาอยู่ หรือขยับมือนะอะไรก็ได้นะก็เห็นร่างกายมันทํางานใจมันอยู่ต่างหากใจเป็นคนดูนะแยกกายแยกใจค่อยๆทําไปนี่ก็เดินปัญญานะเดินปัญญาด้วยการดูกายเห็นร่างกายมันทํางานไม่ใช่ตัวเร า, าเดินปัญญาด้วยการดูจิตนั่นะก็เห็นในจิตใจนะั้นเปลี่ยนแปล ง, ปลงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเรานะดูไปเรื่อย น, นี่ในการทําในรูปแบบนะไหว้พระสวดมนต์แล้ววันไหนฟุ้งซ่านทําความสงบให้จิตสบายในอารมณ์เดียว วันไหนมีกำลังพอแล้วเดินปัญญาดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปเลยอย่าไปสงบอยู่เฉยเยไม่มีมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นหรอกหมดเวลาที่ทำในรูปแบบแล้วนะเวลาที่เหลือในชีวิตเราคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่หลวงพ่อเล่ามาเช้าเมาื่อกี้เนี่ยนะจะทำอะไรจะยืนเดินนั่งนอนจะกวาดบ้านถูบ้า น, านจะซักผ้าจะกินข้าวจะอาบน้าจะขับถ่ายจะแต่งตัว จะทาลิปสติกนะทาโน่นทานี่อะไรนะจหวีผมรู้สึกตัวเรื่อยไปนะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยๆขึ้นรถรถมันติดกลุ้มใจรูนะ้ขับรถอยู่เห็นไฟแดงนะไม่ค่อยพอใจรู้ติดไฟแดงคันแรกเนี่ยเจ็บช้าที่สุดใช่ไหมใครขับรถติดไฟแดงคันแรกนะอยู่หน้าเพื่อนเลยนะ โหเจ็บใจที่สุดเลยนะบอบช้ำนะติดอยู่คันที่ห้าที่6กนะเฉยๆนะติดอยู่คันที่ร้อยเนี่ยถอดใจเลยใช่ไหมไฟเขียวอีกรอบก็ไม่พ้นหรอกนะอเวรกรรมเ <c oughs> นะี่ยปฏิบัติได้ตลอดนะในชีพประจำวันทําให้มากที่สุดทําในรูปแบบไม่พอเพราะว่าการทําในรูปแบบนะี่ทำในเวลาไม่มากหรอกชั่วโมงสองชั่วโมง3มชั่วโมง แต่เวลาส่วนใหญ่อยู่ในชีวิตประจำวันเราปฏิบัติให้ได้นะถ้าทําในชีวิตประจำวันได้น่าจะก้าวหน้าเร็วมากการทําในชีวิตประจำวันทําตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเวลาทํางานที่คิดปฏิบัติไม่ได้นะปฏิบัติไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูใจไม่ได้ต้องดูงานนะงั้นการทําในชีวิตประจำวันเนี่ยทำตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ใช้ความคิด อย่างคนนั่งเขียนซอฟต์แวร์ไปเมืองจีนมีคนมาถามเขาเขียนซอฟต์แวร์ระหว่างนั้ น, น, นกายหายใจหายบอาถูกแล้วถ้ารู้สึกกายรู้สึกใจจะเขียนซอฟต์แวร์ไม่ได้ถ้าอีกคนหนึ่งเขาเป็นคนปลูกผักนะไปหาบน้ํามาลดผักอะไรเงี้ยนะพวกนี้รู้สึกกายปฏิบัติได้ทั้งวันเลยนะยงนั้นพวกอยู่ในห้องแอร์ทําคอมพิวเตอร์อะไรนะอาจจะภาวนาสู้ พวกที่ทำไร่ทำนาปลูกพืชปลูกผักขี่สาล้ออะไรงี้ยไม่ได้ก็ได้นะดูถูกไม่ได้เพื่อเห็นคนต่ำกว่าเราเพรอย่าไปดูถูกเขานะเกิดเข้าเป็นพระอริยะขึ้นมาเราจะลําบากวันนี้ยังมีน้อยวันข้างหน้าไม่แน่นะเดี๋ยวนี้3าล้อหรือใครต่อใครก็ฟังซีดีหลวงพ่อทั้งนั้นแนหะวันหนึ่งเขาอาจจะได้ธรรมะขึ้นมาเราก็อย่าไปดูถูกคนยากคนจนนะไม่แน่หรอกสมควรแก่เวลาไปกินข้าวไป